สิกขาบทที่สภิกษุณีบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี